ธรรมะจากพระผู้รู้ตอนที่21โดยพระปราโมทปราโมโชถามอยากทราบหลักการของวิปัสสนาครับ หลักการของวิปัสสนาจริงๆให้รู้รูปนามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงตามที่มันเป็นอย่าเข้าไปดัดแปลงมันแล้วเราคอยรู้เรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆนะถึงวันหนึง่งใจมันก็แจ้งขึ้นมามันจะรวมเข้าไปแล้วก็ตัดสินของตัวมันเองเราจะเห็นเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาให้จิตรับรู้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดความสุขก็ชั่วคราว ความทุกข์ก็ชั่วคราวกุศลอกุศลแต่ละตัวแต่ละตัวชั่วคราวทั้งหมดร่างกายเราเราก็รู้สึกนะร่างกายเนี้ยก็ของอาศัยชั่วคราวอะไรอะไรในชีวิตคือของชั่วคราวทั้งหมดการที่เราเห็นว่าขันห้ากายใจของเราเป็นของชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับไปตัวนี้เรียกว่าธรรมะคำว่าธรรมะไม่ใช่อะไรที่ลึกลับหรอก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 ทีนี้วิธีฝึกที่จะให้เห็นอย่างนี้ได้ก็ต้องฝึกเจริญสติใครเคยทำกรรมฐานอะไรก็ทำอย่างนั้นต่อไปใครเคยหัดพุดโทโธก็พุโทโธต่อไปใครเคยหัดรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจต่อไปหรือใครจะดูท้องพองยุบก็ดูต่อไปอะไรก็ได้ใครจะขยับมืออย่างสายหลุงพ่อเทียนก็ขยับต่อไปหลวงพ่อไม่ได้เลือกกรรมฐานนะ ใครถนัดอะไรก็ใช้อันนั้นวัดหลวงพ่อเลยมีเพื่อนๆจากทุกสำนักนะ่ะไปกันเยอะแยะเพราะว่าเราไม่ได้เลือกว่าต้องวิธีนั้นต้องวิธีนี้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 ขอให้เป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจของตนเองเท่านั้นก็พอแล้วกรรมฐานอะไรที่ไม่เนื่องด้วยกายด้วยใจก็อย่าไปทำมันมันอ้อมค้อมเสียเวลามันจะได้แต่สมถะเพราะวิปัสสนาสุดท้ายต้องมารู้กายรู้ใจตัวเองจนเห็นว่ามันไม่เที่ยงเป็นอนัตตานี่ถึงจะเรียกวิปัสสนาอย่างถ้าเราไปนั่งเพ่งไฟเพ่งเทียนเพ่งอะไรอย่างเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับกายกับใจเรา ก็กลับมาดูกายดูใจลาบากนิดหนึ่งแต่ถ้ากลับเป็นก็กลับได้เหมือนกันนะเช่นดูไฟไปดูเทียนไปเพ่งกระสินจิตใจสงบขึ้นมาก็รู้จิตใจมีปิติก็รู้นี่กลับมารู้จิตอย่างนี้ก็พอไปได้เหมือนกันหากกรรมฐานส่วนใหญ่ที่พวกเราทำกันทุกวันนี้เป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจเราก็ทาของเราต่อไป แต่ทําไปเพื่ออะไรพวกเราหลายคนอาจจะสงสัยเราก็ทํามานานแล้วมันก็วนอยู่ที่เดิมเพราะอะไรถึงวนอยู่ที่เดิมเพราะสติตัวจริงไม่เกิดขึ้นคนในโลกนี้ที่มีสติจริงๆนี่นับตัวได้เลยนะหลวงพ่อกล้าท้าเลยคนในโลกนี้ส่วนมากเกือบทั้งหมดเกือบร้อยละร้อยไม่เคยรู้สึกตัวเลยไม่เคยรู้สึกตัวอย่างแท้จริงเราตื่นขึ้นมาเฉพาะตัวเฉพาะร่างกายของเรา แต่จิตของเราไม่ตื่นขึ้นมาเพราะตื่นร่างกายตื่นขึ้นมาจิตก็ไหลเข้าไปแล้วไปอยู่ในโลกของความคิดตลอดเวลาเราไปอยู่ในโลกของความคิดนะความคิดไม่ใช่ความจริงเพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้ของจริงคือไม่เคยรู้กายรู้ใจตัวเองได้เลยเรามัวแต่รู้ความคิดรู้เรื่องราวที่คิดแต่สติจริงๆไม่เกิดขึ้นมาวิธีที่จะให้สติเกิด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 หลวงพ่อบอกว่าสติเป็นอนัตตาไม่มีใครสั่งให้สติเกิดได้และสติเกิดขึ้นได้อย่างไรถ้ามีเหตุสติถึงจะเกิดเหตุที่ทำให้สติเกิดคือการที่จิตเราจำสภาวะได้เช่นมันจำได้ว่าเผลอไปเป็นยังไงพอใจเราเผลอแว บ, บไปนี่นะสติจะเกิดเองมันจะระลึกขึ้นได้ว่าออเผลอไปแล้ว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 กำหนดนี้ไม่ใช่การเจริญสติกำหนดเป็นการเพ่งเอาไว้เอาใจไปแนบอยู่กับลมหายใจได้สมถะใจไปแนบไว้ที่ท้องอันเดียวได้สมถะสติเกิดจากการจำสภาวะได้เพราะฉะนั้นหน้าที่เราหัดจำสภาวะพอจิตจำสภาวะได้แล้วพอสภาวะนั้นเกิดสติจะเกิดเองเพราะฉะนั้นถ้าจะเรียนธรรมะกับหลวงพ่อหลวงพ่อฉเฉลยเลย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 ค่อนข้างยากนิดหนึ่งถ้าใจไม่ตั้งมั่นพอจะเห็นไม่ได้จริงจะได้แต่ไปเพ่งกายนิ่งๆไว้จะเกิดปัญญายากนิดหนึ่งส่วนการดูจิตใจมันเหมาะสําหรับคนที่ทําฌานไม่เป็นเหมาะกับคนเมืองคนที่คิดทั้งวันจิตใจมีแต่ความฟุ้งซ่านถ้าจิตใจฟุ้งซ่านเราก็หัดดูความรู้สึกของเราไปหัดไปเรื่อยๆจิตใจฟุ้งซ่านเรารู้ว่าฟุ้งซ่าน อย่างนี้ก็เรียกว่าทำกรรมฐานแล้วทีนี้ก่อนที่เราจะรู้ว่าจิตใจฟุ้งซ่านได้เราก็ต้องหัดก่อนเบื้องต้นทำกรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่เราเคยทำพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ดูท้องก็ได้ดูมือก็ได้ทำไปทำแล้วหัดสังเกตสภาวะไม่ใช่ทําเพื่อให้ใจนิ่งลูกเดียวนะพวกเราหลายคนทำแล้วก็น้อมใจเพื่อจะให้มันนิ่งใจที่นิ่งมันไม่เกิดปัญญานะมันคนละเรื่องกัน มันเป็นที่พักผ่อนเฉยๆสมมุติเราพุโทโธพุโทโธหรือเรารู้ลมหายใจเราก็หายใจของเราไปพอใจของเราแอบไปคิดเคยหายใจใช่ั้ยถ้าเคยฝึกลมหายใจเราจะรู้เลยว่าหายใจแป๊บเดียวใจจะหนีไปคิดแล้วให้เรารู้ทันนะว่าใจหนีไปคิดแล้วไม่ห้ามมันนะไม่ตำหนิติดเตียนจิตใจตัวเองใจหนีไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิด มารู้ลมหายใจต่อไปประเดี๋ยวหนึง่งใจจะเข้าไปเพ่งที่ลมหายใจไปเกาะนิ่งๆไว้กับลมหายใจเราก็รู้ทันใจว่าใจไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ลมหายใจแล้วหายใจไปเรื่อยๆวันนี้ไม่ยอมสงบเลยจิตใจเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหัดรู้สภาวะสภาวะฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเราก็รู้ทันหายใจไปเรื่อยๆใจเรามีปีติมีความสุข รู้ว่ามีปีติรู้ว่ามีความสุขเพราะฉะนั้นเราหายใจไปเรื่อยเรื่อยเราก็รู้จิตรู้ใจของเราในที่สุดเราจะรู้จักสภาวะตั้งมากมายคนไหนฝึกดูท้องพองยุบดูท้องพองยุบไปดูท้องพองยุบสักพักหนึ่งจิตจะหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดดูท้องพองยุบไปจิตเข้าไปเพ่งนิ่งๆิ่งอยู่ที่ท้องรู้ว่าจิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่ท้อง ดูท้องพองยุบไปจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตใจสงบรู้ว่าสงบมีปิติมีความสุขรู้ว่ามีปิติรู้ว่ามีความสุขหายใจไปแล้วจิตใจเป็นอย่างไรคอยรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะดูท้องไปท้องก็กระเพื่อมไปตามจังหวะการหายใจของเราคนไหนขยับมืออย่างสายหลวงพ่อเทียนท่านสอนขยับมือหลวงพ่อเทียนท่านเป็นพระที่ดีที่สุดองค์หนึ่งนะ คำสอนของท่านเฉียบขาดมากท่านสอนให้ขยับให้ขยับเพื่ออะไรเพื่อเราจะรู้สึกตัวไม่ใช่ขยับเพื่อจะขยับนะขยับเพื่อจะรู้สึกตัวหลักอันนี้ใช้ได้หมดเลยหายใจก็เพื่อรู้สึกตัวดูท้องพองยุบก็เพื่อให้รู้สึกตัวให้รู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจของเรานั่นเองทีนี้ถ้าเราขยับไปจิตหนีไปคิดรู้ว่าหนีไปคิดจิตเข้าไปเพ่งอยู่ที่มือ รู้ว่าจิตไปเพ่งมือจิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตเกิดกุศลเกิดอกุศลคอยรู้ทันไปเรื่อยรู้สภาวะไปเรื่อยการที่เราคอยรู้สภาวะหนึ่งเนืองหัดตามรู้สภาวะหนึ่งเนืองมันทำให้จิตของเรารู้จักสภาวะมันจำสภาวะได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นคนที่ฝึกตามวิธีที่หลวงพ่อบอกประมาณเดือนหนึ่งสติก็จะเกิดโดย ท, ทั่วไปบางคนมาฟังหลวงพ่อสองวันสามวัน ทนทนฟังนะฟังไม่รู้เรื่องก็ทนฟังไปสองวันสามวันสติเกิดขึ้นมาแล้วก็มีเพราะอะไรเพราะไปหัดรู้สภาวะถ้าฟังแล้วไม่หัดไปรู้สภาวะนะก็ไม่ได้อะไรเดี๋ยวก็ลืมนะเดือนหน้ามาฟังอีกมันก็อยู่ที่เก่านั่นแหละหาอะไรพัฒนาไม่ได้แต่ถ้าฟังแล้วไปหัดรู้สภาวะตามที่หลวงพ่อบอกนะในเวลาหนึ่งเดือนจิตใจเราจะเปลี่ยนแปลงตั้งมากมายจิตที่ไม่เคยมีสติ จะเกิดสติขึ้นมาจิตที่ไม่เคยตั้งมั่นไม่เคยสงบจะตั้งมั่นสงบขึ้นมาโดยอัตโนมัติอัศจรรย์มากนะเพราะฉะนั้นคอยรู้สึกไปหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆ อยากทราบข้อขัดข้องเจ็ดประการสําหรับสํารวจตัวเองในการภาวนาครับหลวงพ่อพูดรวมๆนะทุกคนนะเราไปติดเพ่งเข้าไปข้างในไหมหรือหลงออกไปข้างนอกเราไปติดสุขไปเกลียดทุกไหมรักสุขเกลียดทุกไหมรักดีเกลียดชั่วไหมคอยสํารวจใจไปเรื่อยเราไปติดหมู่คณะไหมห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ห่วงแฟนห่วงลูก ห่วงอะไรอย่างเนี้ยแล้วไม่ยอมภาวนามัวแต่ห่วงเขาอยากให้เขาภาวนาลืมภาวนาเองเป็นไหมสํารวจนะสํารวจดูเรียกว่าติดมนุษย์ติดอมนุษย์ภาวนาเราเนี่ยเราอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงไหมหรืออยากได้ผลประโยชน์แอบแฝงผลประโยชน์ไหมเราคอยสํารวจใจของเราเราภาวนานี่จิตใจเราไปแอบสร้างพบอะไรขึ้นมาว่างๆนิ่งๆขึ้นมาอันหนึ่ง แล้วก็ไปติดอยู่ในนั้นไหมนี่เราคอยสำรวจไปนะเราภาวานานี่จิตของเราหลงไปกับโลกมากไปไหมเพลิดเพลินทางตาหูจมูกเลนกายใจมากไปไหมนี่เรียกว่าหลงกามเราภาวานาหนี่สินของเราด่างพร้อยไหมถ้าด่างพร้อยนะเหมือนไม้ที่เน่าอยู่ข้างในผุพังอยู่ข้างในตัวเองไม่มีใครทำอะไรก็ล้มเองนะถึงจุดหนึ่งมันเน่าใน ถ้าเราไม่มีข้อขัดข้องเจ็ดประการนี้ติดในสิ่งที่เป็นคู่คู่ติดข้างในติดข้างนอกนี่สองแล้วติดมนุษย์ติดอมนุษย์ติดอมนุษย์อย่างชื่อเสียงติดมนุษย์นี่ห่วงคนโน้นคนนี้ติดเกยตื้นไปติดในพบอันใดอันหนึ่งที่เราไปสร้างขึ้นมาถูกน้าวนน้าวนคือกรามหลงอยู่เพลินอยู่กับโลกไหมเน่าในไหมเป็นคนทุศีลไหม ถ้าเราสำรวจใจของเรานะอย่างซื่อตรงเราไม่มีเจ็ดอย่างนี้แล้วเราประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิเรารู้ว่างานของเราคือการรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงไม่ใช่แทรกแซงกายแทรกแซงใจนะถ้าเรารู้ว่างานของเราคือรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงแล้วจิตของเราไม่ไปขัดข้องเจ็ดประการนี้วันหนึ่งเราจะนิพพานนี่ไม่ใช่หลวงพ่อพูดเองนะนี่พระพุทธเจ้าสอนไว้ ทีนี้เราต้องซื่อตรงในการสำรวจตัวเองอะไรที่บกกร่องนะ่ะก็ต้องจัดการกับมันอย่าไปยอมมันเช่นเราภาวนาแล้วเราห่วงโอ้เมื่อไหร่ลูกเราจะได้ภาวนาบ้างเอาตัวให้รอดก่อนส่วนลูกวันหนึ่งเรามีตัวอย่างที่ดีให้ลูกดูเดี๋ยวมันก็ภาวนาเองลหละถ้าแม่หน้าหงิกหน้างอทั้งวันนะบอกว่าภาวนาดีลูกไม่เชื่อหรอกภาวนาดีแต่แม่ดูแย่ยอย่างเนี้ย ลูกไม่เชื่อหรอกฉะนั้นอย่างถ้าเราห่วงคนใกล้ตัวคนใกล้ตัวนี่เราต้องมีความสุขให้เขาเห็นให้ได้ต้องดีให้เขาเห็นเขาถึงจะคล้อยตา ม, ามบทความจากวิทย า, าศาสรธรรมะใกล้ตัวฉบับที่21อ<ล>็อ่านโดยโจโฉหรืออนุสอน ตรีโสภา